นะคนรอบๆตัวเขาก็จะบอกนะว่าเราเปลี่ยนไปเราเองก็จะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเคยทุกข์นักมากๆก็เหลือทุกข์สั้นๆทุกนิดเดียวไหลแว บ, บขึ้นมานะความสติปัญญารู้ทันความทุกข์ก็หายไปแล้วหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนนะหลวงพ่อยืนยันหน้าตาจะสวยขึ้นสาวขึ้นหนะนุมน่มๆก็จะหล่อขึ้นนะที่หนุ่มน้อยหน่อยก็จะดูหนุ่มเยอะขึ้นนะความหนุ่มเหลือน้อยล้วก็จะเยอะขึ้น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 เห็นไหมเดี๋ยวนี้เป็นครูสุดสวยแล้วเห็นไหม <laughs> ครูสดใสอันหลังๆเด็กตกใจครูเป็นอะไรทําไมไม่ตี <laughs> <นะ S 1> ครูมีความสุขเด็กก็ไม่ดือ้อรู้สึกไหมครู ว, วร่าไงเด็กมันดื้อน้อยลงไหมเ <laughs> ออมันจะมีความสุขทั้งโรงเรียนเลยกลับบ้านในคนในบ้านมีความสุขหลายคนนะเคยมาภรรยามาเรียนกับหลวงพ่อหรือสามีมาเรียนกับหลวงพ่ออีกคนยังไม่ได้มา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 ไหนไม่โคตรอยู่ไหนอย่าเกี่ยงกันว้องไวเวลาจำกัดมากเลยเมื่อวานนี้นี้อย่างนี้จิตเน่ยนะไปสร้างครบไว้อันนึงแล้วยังติดอยู่นะจบไป <laughs> ใช้ได้แล้ววันนี้ดีกว่านะวันนี้ดีกว่าวนะันวาวันนี้ดีแล้วเดนะี๋แล้วก็ดูไปอย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเสื่อมแล้ว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 จิตไม่เป็นกลางค่ ะ, ะถูกไม่เป็นกลางไม่ถึงถามด้วยนะจิต ม, มันนิ่งๆนะหลวงพ่จิต<ะ>จะนิ่ง ๆ, ๆเฉยๆให้รู้ไปนะคนที่ชอบทำสมาธิจิตมันจะติดเฉยแล้วเราต้องดูไปเฉยะๆะะะดูเฉยๆสิถ้าบอกว่าจะแก้อยังไรหลวงพ่อจะหันไปด่าพวกวิทยากร <c oughs> ถือว่าสอบตกหนูเพลงหรือเปล่าคะ <c oughs> สงสัยไหม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 คนที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ใช่ผ่านไปเลยนะเบอร์หกเบอร์ 7, เจ็ดเบอร์ห้าเบอร์สี่ลงนะเบอร์แปดก็หลงนะเบอร์สองก็เสือไปนะเบอหนึ่งนี่พอสบตาหลวงพ่อเลยลีบรู้สึกอ่ะเบอร์ยี่สิบก็แค่จะพักเมื่อใหม่มาถึงแต่ว่า <c redit> <ances> ใช้ได้นะใช้ได้นะามาคืนใหม่มานะหมดยี่สิบคนแล้วใช่ไหมคุณตา <c redit>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 เคยร้องเพลงหรือเพลงหนึ่งร้องเป็นไหมชอบร้องจ้ะค่ะเออเวลาเท่ๆก็ร้องเพลงไปที่ผ่านมาจะมัวเยอะค่ะตอนนี้มัวลดลงแต่เพ่งเป็นระยะระยะเลยค่ ะ, ะใช้ได้ใช่ได้อ้าได้อีกหนึ่งคนเอาคุณหน่มก็ได้ค่ะ